ท่านสาวทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดถึงในหมวดที่หกปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสําหรับครหัดในหัวข้อว่าสมบัติของอุบาสกห้าประการคือหนึ่งประกอบด้วยศรัทธา สมีศีลบริสุทธิ์สมไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกันไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวสไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาหาบังเทนบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกพึงตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและละเว้นจากวิบัติห้าประการซึ่งวิปริตจากสมบัตินั้นั้น ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเรืการแรกเรามาควรทำความเข้าใจว่าคำว่าสมบัติกับคำว่าอุบาสกนี้หมายความว่าอย่างไรคำว่าสมบัตินี้หมายถึงว่าถ้าแปลาตามตัวก็คือว่าถึงพรอง้อมด้วยคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ก็ในที่นี้ก็มุ่งเอาคือศรัทธาคือศีล แล้วก็ไม่ถือมงคนตื่นข่าวไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนานำนเพนบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถือว่าเป็นสมบัตินี่คำว่าอุบาสกนี้แปลว่าผู้เข้าใกล้พระธตรไตรผู้เข้าใกล้พระตรรไตรคือหมายถึงว่าผู้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เต็มที่พึ่งอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกแต่ถ้าหากว่าอุบาสก ้อุบาสิกาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลแล้วก็เป็นคนเตือนข่าวไม่เตือนมงคลแสวงหาบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญนอกพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่ชื่อว่กเป็นอุบาสกที่ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อมาพูดถึงหลักธรรมในข้อแรกที่บอกว่าสมบัติของอบาศกนั้นจะต้องประกอบด้วยศรัทธา คือเรื่องศรัทธาก็คือว่าเรื่องของความเชื่อนั่นเองคนเราทุกคนนั้นแตการแรกจะต้องมีศรัทธาก่อนจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าศรัทธาไม่เกิดในบุญทานการกุศลต่างๆก็คล้อยถอยหดลับหายไปด้วยแต่เมื่อศรัทธาเกิดแล้วความเชื่อต่างๆก็จะลังไหลเข้ามาฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงได้จัดว่าศรัทธาสาธุปฏิทิฏา คนเราเมื่ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างตรงกันข้ามถ้าหากว่าศรัทธาไม่ตั้งมั่นคือมีศรัทธาคลอนแคลนเรียกว่าจังละศรัทธาคือมีความวันไหว เ, เป็นประเภทที่เรียกว่าคนโบราณมักจะพูดว่าศรัทธาหัวเต่าพลุกเข้าพลุกออกนี่คือไม่แน่นอนการศรัทธาแบบนี้ถือเอาบุคคลเป็นใหญ่ไม่ถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ที่ไหนคือว่า ที่ไหนดังๆที่ไหนแล้วก็ต่อไปแห่แหนกันไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศรัทธาที่ไม่แน่นอนนะยังยังถือเอาบุคคลเป็นใหญ่อไปสําคัญว่าการที่เราได้ศรัทธาคนที่มีชื่อเสียง ด, งดังๆในประเทศไทยหรือลุงพ่อที่ดังในประเทศไทยแล้วเขมันมีเกียรติมันเหมือนว่าประดับปรมีตัวเองอันนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในทางที่ถูกต้องนั้นท่านจะดังหรือไม่ดังไม่สําคัญ แต่ว่าเอาความถูกต้องคือเอาตัวธรรมะเป็นใหญ่เอาความจริงเป็นใหญ่เหืออย่างนี้จึงจะเป็นอุบาสกอุบาติกาที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาฉะนั้นในทุกวันนี้ เ, เราลองถามตัวเองกันดูว่าที่เรามีความเชื่อเนี่ยเราเชื่ออะไรกันเชื่อถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไหมในหลักพระพุทธศาสนานั้นแต่การแรกก็คือให้เชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องกรรมก็คือเรื่อง เรื่องการกระทาว่าคนเราทุกคนที่ดีหรือชั่วนั้นจะต้องมีการกระทำหรือมีการกระทาเป็นเหตุเนีมีการกระทาเป็นเหตุทุกคนจะหลีกการกระทาไม่ได้เราจะเป็นว่าทางาดีทางกายดีทางวาจาดีทางใจหรือว่าชั่วทางกายชั่วทางวาจาทั่วชังใจนี่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาทางนั้นถ้าหากว่าเราเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทาแล้ว อย่างนี้นถือว่าเชื่อถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนารายการที่สองให้เชื่อเรื่องว่าผลของกรรก็คือวิปากศัทธาเชื่อว่า อ, อการเชื่อว่าผลของการทําดีนั้นมีอยู่เป็นต้นว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วหรือดังพุทธภาษิตที่ว่ายาที่สังว่าปฏเเตฟีชังตาที่สังละปฏเเตพลัง กัญยาณการีกัลยาหนังปาปการีจะปาปกังเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่อที่ถูกต้องเชื่อว่าอาบุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่คนทุกวันนี้กลับมาว่าตรงกันข้ามว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เป็นการตู่พระพุทธพุทธถือว่าผิดหลักคําสอน และคนที่พูดนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นก็มีคำกรบทหนึ่งไว้แก้ว่าการการทำดีการทาดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรงังพังทุกคนนี่ขอให้ทราบอย่างนั้น ไว้ที่ทําชั่วใดดีมิถงไปแต่ว่าไม่มีใครีริงพังทุกคนฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมาเชื่ อ, เ, อเรื่องกรรมกันเถอดนะแล้วก็จะมีประโยชน์มากแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่เชื่อเรื่องกรรมกันเราไปเชื่อเรื่องเอนอกเอเขตพระพุทธศาสนาหรือไปติดตัวบุคคลไปติดตัววัตถุอันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นทุกวันนี้บางคนก็นักจะมาคุยว่า เ น, ององโงโนีเป็นลูกศิษย์ขององค์นนเป็นลูกศิษย์ขององค์นี้ไอ้ที่ดังๆที่สุดในประเทศไทยั้างเลยก็เอาเรื่องหลวงพ่อนั้นมากล่าวโจมตีกันขององค์นนดีขององค์นนไหนดีองค์งนี้ว่าอย่างนั้นองค์นนว่าอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเนาะประเภทที่เรียกว่าฟุ้งซ่านไม่มีศรัทธาที่มั่นคงไม่มีศรัทธาตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการว่า ไปสร้างบารมีได้รู้จักคนโน้นคนนี้ดังๆอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นก็ใครขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ลองพิจารณาว่าเราทําถูกแล้วหรือยังเราเชื่อถูกตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้ายังก็กลับหิวกลับใจมาเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องผลของกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องกรรมมัศกาตสัจธ า, าเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน คือหมายความว่าเราทำกรรมอย่างไรไว้เราก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นพวกพ้องนะเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็จะสบายใจแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยเชื่อกันคือมักอาจจะคิดว่าการที่เราทำอะไรไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็น มันก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นทางนั้นเรื่องกรรมนี้จะมีคนรู้คนรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตามอันนี้แน่นอนมันมีผลทางนั้นเราจะทําชั่วในที่รับมันก็มีผลชั่วจะทําชั่วในที่แจ้งก็มีผลชั่วเราจะทําดีในที่รับก็มีผลดีเราจะทําดีในที่แจ้งก็มีผลดีอันนี้มันเป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดอย่างนี้จะได้ก็สบายใจ แต่ว่าเราทุกวันนี้ไม่คิดตามนี้เราจึงต้องมาเนี่ยกว่าทกเถียงกันนี่ต้องมาอวดดีอวดเด่นกันจึงต้องมาอิจฉาดิจยกกันสารเพสารพัดอย่างนี้ถือว่าเราเป็นอุบายศ ก, กันไม่ถูกต้องตามหลักในทางตัวศาสนานั่นเองและประการสุดท้ายก็คือว่าให้เราเชื่อ ว, ว่า ตถาคตโพธิสัต tha เชื่อพระปีชาญาณของพระตถาคตว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรูดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตรัสรู้อริยสัจสี่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้หนทางให้ถึงความดับทุกขฉะนั้นเมื่อท่านอารู้อย่างนี้แล้วก็เอามาสั่งสอนให้พวกเราได้ทราบหน้นที่สิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นก็คือสั่งสอนเรื่องทุก ให้เรารู้จักตัวทุกข์เสก่อนเมื่อรู้จักตัวทุกข์แล้วก็ให้รู้เหตุสมุทฐานก็คือตัวสมุทัยสมุทฐานที่ให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัวปัญหาตัวตัญหาการมาปัญหาภาวะปัญหาวิภภาวะปัญหาอันนี้แหละเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ไอ้ที่เราวิ่งกันตะรอนตะรอนทุกวันขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ก็เพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ทําให้เราเกิดทุกข์เกิดความยากเกิดความลำบาก เกิดการอิจฉาสการเกิดการข่าการเกิดการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันก็เพราะไอ้ตัวนี้เองไม่ใช่ตัวไหนฉะนั้นสิ่งนี้จะหมดไปก็ได้แก่ตัวนิโรธก็คือตัวความดับทุกข์นะก็คือดับตัวตัณหาได้โดยสิ้นเชิงนะเมื่อเราดับตัวตัณหาได้สิ้นเชิงนั้นอะไรเป็นเหตุที่จะให้ดับตัณหาได้สิ้นเชิงตัวเหตุที่จะดับตัณหาได้สิ้นเชิงก็คือตัวมรรคนั่นเอง มัด ก, ก็คือหมายถึงว่าอัดถังขี้กระมหมายถึงว่ามัดมีองแปดนะมัดมีองแปดไอ้คําว่ามัดมีองแปดอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ทาทำความเข้าใจว่าถ้าเราพูดว่ามัดแปดนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ฟังคลาดเคลื่อนไปได้แต่ถ้าบอกว่ามัดมีองแปดนี้กับมัดแปดนี้จะมีความหมายแตกต่างกันไปคือคําว่ามัดมีองแปกก็เหมือนกับเชือกเส้นหนึ่ง แต่ว่ามีอยู่แปดเกลียวแต่ถ้ามัดแปดก็เหมือนว่าเชือกนั้นมันมีอยู่แปดเส้นนี่มันแปดเส้นไอแปดเส้นนี่มันต่างกับเชือกเส้นเดียวมีแปดเกลียวอ่ามันต่างกันแต่คําว่ามัดมีองคศาหมายถึงว่าเชือกเส้นเดียวแต่ว่ามีอยู่แปดเกลียวนะฉะนั้นในในมัดมีองคศานี้เราจะต้องปฏิบัติพร้อมกันให้เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นมัคคสมังขีอ่เป็นมัคคสมังขีก็คือต้อง พร้อมกันทั้งองค์แปดจึงจะเกิดประโยชน์นะจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเรียกว่าบรรลุตามความมุ่งหมายบรรลุตามที่ตนมุ่งมา่นตร้งนาได้เป็นต้นว่าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบเห็นชอบก็คือว่าเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทำดีต้องในดีเห็นว่าทำชั่วต้องในชั่วเห็นว่าเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุก เห็นความดับทุกข์เห็นวิถทางให้ถึงความดับทุกข์สัมมาสังกัปปะก็คือดําริชอบดำริออกจากการมดำรใิในความไม่พยายามบัตรดำริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบก็คือว่าไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้ออย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาก็คือพูดดีพูดง่ายๆก็คือพูดดีนั่นเอง พูดคําคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดให้ถูกกาละเทศะอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาต่การที่สี่ก็คือสัมมากัมมันตาก็คือการงานชอบทงการงานโดยทางสุจริตนะโดยถือเอาว่าการเลี้ยงชีพหรือการทำงานในทางที่สุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจ จะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แม้ว่างานนั้นจะต่ําก็ถือว่าสุจริตเราก็ภูมิใจนะแต่ว่างานชั่วแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่ภูมิใจมีแต่ทุกมีแต่โทษ ม, มีแต่ความเดือดร้อนนะฉะนั้นขอให้เราถือว่าเอาการงานที่เราทําในการดําเนินชีวิตประจำวันทุกวี่ทุกวันของผู้หญิงของผู้ชายนั้นขอให้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นการงานที่สุจริตนะ และเป็นการงานที่เรียกว่าซื่อสัตว์และก็ซื้อตรงนะประการที่ห้าก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็หมายถึงว่าให้เราดำเนินชีวิตในทางสุจริตนั่นเองเราไม่เป็นพวกมิจฉาชีพแต่เป็นสัมมาชีพสัมมาชีพก็คือเลี้ยงเลี้ยงชีพชอบก็หมายความว่าเราไม่หลอกลวงเอาหากินนะไม่จีบต้นข่าหรือไม่ แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นฉะนั้นเราเราดำเนินทางในทางที่ถูกที่ควรสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและก็ครอบครัวสังคมประเทศชาติอย่างนี้เรียกว่าเราเลีเ้ยงชีพในทางที่ชอบประการที่หกก็คือสัมมาวายามะพยายามชอบ คำว่าพยายามชอบก็หมายถึงว่าให้เรามีความเพียรมีความมานะมีความอดทนมีความหลักบันมีความขยันในทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าเราจะทำมาค้าขายอันใดประกอบอาชีพอันใดเป็นงานหลวงเงินราชหรือว่าเราจะรับราชการอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความพยายามขวนขวายทาแต่ในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองสังคมประเทศชาติเป็นใช้ได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านยังบอกว่าให้เราพยายามชอบในหลักสี่ประการก็คือหนึ่งสังวรประธานให้เรานั้นมีความเพียร เ, เพียระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจปละการที่สองก็คือประหากประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปด้วยการให้ทานรักษาสีนเจริญภาวนาประการที่สามภาวนาประทานเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นต้นว่าเราจะให้ทานรักษาสีนเจริญภาวนาหรือว่าเราจะมีสีนมีสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางนั้นออันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางนั้นแล้วก็ ให้เราอนุรักษนาประทานก็คือเพียรตามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วไม่ให้เสื่อมไปทำอย่างนี้เราทำถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานะประการที่เจดก็คือสำ ม, มาสติระลึกชอบคำว่าระลึกชอบในที่นี้ก็หมายความว่าให้เรานั้นระลึกในสองในสองขั้นเรียกว่าขั้นสา ม, มัญชนกับขั้นสูง ท่าสามัญชนทั่วไปเราก็มักจะพูดว่าก่อนพูดก่อนทําก็มีสติใช้ได้นะก่อนพูดก่อนทําก็มีสติรู้จักคิดรู้จักไตรตรองพิจารณาใคร่ควรวญให้ดีเสียก่อนอแล้วจึงทําการทําอะไรที่ใคร้ควรวญเสียก่อนพิจารณาเสียก่อนว่าถูกไหม เ, เหมาะสมกับกาลเวลาไหมถูกกับบุคคลไหมถูกกับกาลเทศะไหมถ้ามันเหตุการ์ประจวบพร้อมกันอย่างนี้เราก็ทํา อย่างั้นแสดงว่าเราใคร่ควรแล้วแต่เมื่อเราใคร้ควรแล้วถึงแม้ ว, ว่าจะผิดพลาดน้นเราก็ภูมิใจผิดอย่างนี้ถือว่าผิดเป็นครูแต่การผิดที่โดยไม่มีการใคร้ควรอย่างนั้นไม่จะผิดเป็นครูหากแต่ว่าผิดเพราะความประมาทผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นอันนี้แหละก็เราใช้สติในขั้นต้นก็คือสามัช น, นทั่วไปก่อนพูดก่อนทาก่อนคิด ก็มีสติคอยกำกับสตินี่แหละเป็นตัวติดตั้นไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นประการที่สองก็คือสติปัฏฐานก็หมายถึงว่ามีสติเป็นที่ตั้งในหลักสี่ประการก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็หมายถึงว่ามีสติเข้าไปตั้งพิจารณากายในกายว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสติปัฏฐานา อ่ารู้สติปัฏฐานให้มีสติเข้าไปพิจารณาเวทนาก็เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาให้พิจารณาจิตเห็นจิตในจิตหมายถึงว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานอ่ามีสติเข้าไปพิจารณาเห็นจิตในจิตว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาให้เราพิจารณา เห็นธรรมในธรรมก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่ศักด์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เป็นสติขั้นสูงเมื่อใครพิจารณาในหลักสี่ประการนี้ก็สามารถที่จะถอนอัตตานุทิฏฐิแปลว่าถอนปัญหามานะทิฏฐิออกได้ เ, เมื่อเราถอนออกได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญแต่ที่เรา โดยมากก็ถอนกันไม่ได้ก็คือยังติดในตัวอัตตารยังติดตัวเราตัวเขายังติดตัวกูของกูออนนั้นของกูนั่นของมึงอั่นเป็นพระของกูนั่นเป็นพระของมึงนั่นลุงพ่อของกูลุงพ่อของมึงอะไรยังมีอย่างนี้แล้วก็ถือว่ายังติดนะยังติดตัวตัวอัตตาอยู่นะยังติดตัวอัตตาลุงพ่อของฉันดีกว่าลุงพ่อของแกของแกสู้ของฉันไม่ได้อย่างนี้ถือว่า ยังใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พิจารณามีคัิอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญประการที่สองอก็มาพูดกันในเรื่องของมีศีลบริสุทธิ์คืออุบาสกนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องมีศีลห้าประจําใจศีลห้าเรียกว่านิจศีล นิจจะศีนี้เป็นศีลที่ทุกคนจะต้องมีประจําใจประการแรกก็คือต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่กักขังสัตว์หรือทําให้สัตว์นั้นต้องทุกข์ทนสภาพปีกหักแข้งขาหักหรือมาเบียดเบียนพวกมนุษย์อมีการเบียดเบียนกันนบรขาข่าฟันกัน อ, อ, อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนหรือมีการ แก่งแก่งกันด่ากันอิจฉาเสียกันนี่ก็เป็นการเบียดเบียนจนจะถึงที่สุดก็คือทําลายล้างผลาญชีวิตกันให้ตายไปอย่างนี้ก็ยิ่งบาปนากนะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องหลีกต้องเว้นนะต้องหลีกต้องเว้นในทารที่สองเราก็ต้องไม่มีการลักขโมยเอของเขาเพราะว่าอการที่คนเรานั้นอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายมีอวัยวะครบทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่ยุติธรรมนะที่ธรรมชาติได้สร้างมาให้อย่างนี้ฉะนั้นเรามีมือมีเท้ามีมันสมองเราก็ต้องเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์การที่เราเลี้ยงชีพด้ทางมิจฉาชีพเป็นการลักขโมยกอดดีโจละ ร, รังกอดดีทีบจนค่าตูช่อโกงหรือเบียดบางช่อราดบางหลวงอะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นการแสวงหาในทางที่ผิดอเป็นการเบียดเบียนเขาเป็นการชุกหมูเปิบอันนี้เป็นลักษณะของ ผู้เป็นอันตรภานหรือเป็นภัยต่อสังคมประเทศชาติฉะนั้นการที่เรามีศีลห้าในข้อที่สองเป้าหมายก็คือว่าให้เรานั้นดำเนินชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปเบียดเบียนกันของของใครใครก็รักของของใครใครก็หวงแหนทรัพย์สมบัติต่างๆที่เขาได้แสวงหาหรือที่เขาได้สร้างสะสมเอาไว้นั้นเขาได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหยาดเหงื่อแรงงานฉะนั้นการที่เราไปช่วยโอกาส ตัดช่องย่องเบาก็ดีตูกล่นชอ่อโก้งอะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นการไม่เคารพสิทธิของกันและกันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุบาสกนั้นจะต้องมีศีลห้าบริบูรณ์ประการที่สามก็คือต้องอไม่ผิดประเวณีการไม่ผิดประเวณีนั้นก็หมายถึงว่าเราจะต้องอไม่มีการฉุดคฆาอนาจารย์แล้วก็ต้องไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอ การที่เราไม่ติดรู้จักละรู้จักวางอย่างนี้นระถือว่าเป็นคุณสมบัติของอุบาสกประการที่สี่ก็คือเราจะต้องเป็นคนพูดดีมีคำสันะ์การที่เราพูดดีมีคำสั์นั่นน่ละคือเราพูดในสิ่งที่เกิดเป็นประโยชน์นั่นแหละคื อ, อ, อสิ่งที่มีคุณค่าแก่ตัวเองพระพุทธองค์ฉั้นจึงได้ตัไ้ว่า คนจะมีชื่อเสียงหรือว่าย่อมมีชื่อเสียงพุ่งกร ะ, ะจายไปก็เพราะความสัตย์นั่นเองฉะนั้นขอให้เราทุกคนมารักษาความสัตย์ความจริงให้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจเวอมตาวาจากความจริงมันเป็นอมตะหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายทําให้คนฟังนั้นเก็บเอาไว้ เรียกบอาฟังได้ตลอดกาลแม้แต่คนฟังจะตายไปแล้วคนพูดจะตายไปแล้วแต่สิ่งนั้นก็ยังอยู่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นปาพศหรือว่าเป็นสุภาษิตฉะนั้นเราจะสังเกตดูสําหรับตําร า, บ, รา บ, บางอย่างที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาตั้งแต่โบราณก็ยังมีคุณค่าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเป็นคําพูดเป็นเอสิ่งที่เราคิดสร้างสรรค์นในทางที่ดีที่งามนั่นเองแล้วก็ การสุดท้ายก็คื อ, อให้เรานนั้นต้องไม่ดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ถือว่า อ, าอุบาสกประการแรกต้องมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วก็ต้องมีศีลแปดนะมีศีลแปดการที่เรามีศีลแปดก็เป็นการเพิ่มว่ายกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นก็คือไม่รับทานอาหารในเวลาวิการแล้วก็ ไม่ไลูกไรฉาบทา อ, อของหอมอมีพวกดอกไม้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ถือว่าเราเป็นอุบาสกแล้วควรจะละจะวางสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอของคนที่ยังติดในเรื่องอัตตาอยู่ยังรักสวยรักงามฉะนั้นเราเป็นผู้ใกล้พระรัตนตรัยสิ่งนี้เราก็ไม่ยึดไม่ถือนะก็ใช้ได้ จริงอยู่ในบางครั้งเราจะต้องใช้อันนั้นเราใช้ก็เพื่อให้ให้ถูกต้องกับการละเทศะแต่ว่าเราไม่ติดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกคือว่าเราต้องไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยับไป้นุ่นและสำลีอันนี้ก็เป็นมูลเหตุที่จะทำให้เรานั้นเกิดความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเกี่ยวกับการติดที่อยู่ที่นั่งที่นอนเสื้อผ้าอาพรท่า น, นสบายเมื่อเรา เว้นอย่างนี้ได้ก็จะชื่อว่าเป็นอุบาสกที่สมบูรณ์อาการที่สามก็คือไม่ถือมองคลเตื่นข่าวไอคําว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวก็หมายความว่าคนที่เป็นอุบาสกบริการนั้นจะต้องเลิกไอเลิกเชื่อถือไอ้คําว่าดวงสักทีนะเลิกเชื่อถือไอ้คําว่าเลิกดียามดีคู่ดี อ, อต้องไปพึ่งพระอาศัยหมอดูอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถือว่าไม่ใช่คุณสมบัติของอุบาสกนะ ไม่ใช่คุณสมบัติอุบาสว์อย่างนี้เรายังเข้าไม่ไม่เข้าใกล้พระรัตนตรยัยนะไม่เข้าใกล้พระรัตนตรยัยบางครั้งเนี่ยเราทั้งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเงินก็มีพร้อมแล้วนะสถานที่ก็มีพร้อมจะปลูกบ้านสักหลังก็ปลูกได้ทุกเวทุกวั น, ท, วนทุกเวลาแต่ว่าไม่แน่ใจจึงต้องไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าปลปีนี้ไม่ได้ไม่ดีปลูกแล้วกว็อาจจะต้องมีอันเป็นไปต้องไปปลูกปีหนะ้า ปรากฏว่าคอยไปปลูกลีน้าไอเงินที่เก็บไว้ก็หมดไปพอดีนี่เพราะอะไรก็เพราะเราไปถือไอ้มงคลที่ไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะหรือบางครั้ง อ, อคู่รักกันจะแต่งงานกันไหนรักกันมาตั้งสามสีปีนะพอไปหาหมอดูบอกอยู่กันไม่ได้จะต้องมีอันเป็นไปนะ อ, อ, อย่างนี้ก็น่าเสียดายเ่อเราก็ต้องไปหาให้ที่ดวมันตรงกันปรากฏไอดวงมันตรงแต่ว่าคนมันไม่ตรงกัน นะมันตรงแต่ดวงแต่ว่าคนไม่ตรงกันมันก็อยู่กันไม่ได้นะอยู่กันแค่วันสอง ว, นอ ว, วงนันเรียกว่าทะเลาะเบาแวงกันที่โบราณเรียกว่างอกข้าวไม่ทันจะดำ น, นะทะเลาะเบาแวงตีกันแล้วแยกกันแล้วฉะนั้นทุกวันนี้ปัญหาเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นมากนะจึงเกิดขึ้นมากฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นอุบาสกที่ถูกต้องเราจะต้องไม่ถือมงคลไม่ตื่นมงคลสิ่งใดที่เรามีพร้อม นั่นจริงนั้นแหละถือว่าเป็นเลิกดียามดีครู่ดีแก่เราแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาเชื่อเรื่องกรรมการกระทำของเราดีกว่าว่าเราทํานี้ต้องในดีเราทําชั่วต้องในชั่วเราทําอย่างนี้สบายใจประการที่สีไม่แสวงหาเขต บ, บุญนอกพระพุทธศาสนาอันนี้หมายความว่าการที่เราจะทําบุญอะไรนั้นเราก็ทําตามหลักพระพุทธศาสนาของเรา การที่เราไปทําตามหลักของศาสนาอื่นนั้นก็แสดงว่าเรานี้ไม่เคารพพระพุทธธรรมประสงค์หรือตามศาสนาของเราโดยท่องแท้โดยความจริงใจ เ, เราเห็นว่าของใครเราก็ทําตามเขาไปของใครเขามาว่าเราก็ทําตามเขาเื่อยอันนี้แสดงว่าเรามีศรัทธาไม่มั่นคงในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นแค่เราทําในทางพระพุทธศาสน า, าแค่นี้มันก็พั่งพร้องบริบูรณ์อยู่แล้วพัง่งพร้องบริบูรณ์อยู่แล้ว ไม่ต้องไปแสวงหาบนในศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็จริงอยู่ละเมื่อชาวโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาอันใดมีเหตุการณ์ที่จะต้องขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันเช่นในยามเกิดอักคีภัยวาตภัยอุทกภัยวิจารภัยเกิดสงครามอย่างนั้นเราก็ช่วยเหลือกันอย่างนั้นเราช่วยเหลือกันเป็นหน้าที่แล้วแต่ว่าในทาง บุญเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี้เราทําในศาสนาที่เรานับถือแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกที่ถูกต้องแต่การสุดท้ายก็ให้เราบาเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาเมื่อเราบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าให้ทานรักษาสี้เจริญภาวนาแค่สามอย่างแค่นี้เราก็บริบูรณ์แล้วโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาของเรารู้สึกว่าบุญมากเหลือเกิน บางคนถึงกระบจนมาแม้พระพุทธศาสนาเนี่มีแต่การบอกบุญมีแต่การนียอะไรนะบางอย่างมันก็เกินพอดีอันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยแต่ว่ามาคิดอีกแง่หนึ่งมันก็ดีอยู่หรอเพราะเรื่องการทําบุญนี่เราไม่ได้บังคับกันนะใครจะทําหรือไม่ทําก็ไม่ว่าใช่คนบอกก็บอกไปก็ดีแล้วที่เขาบอกนะอนะดีกว่าเขามาชวนเราไปทําความชั่วอนะชวนเราไปเข้ามาเข้าคัาบเข้าโร ง, นงหนังอบอับนวดหรือ ชวนเราไปนั่งเล่นไพ่เล่นการพนันให้คนที่มันมาบอกบุญเนี่ยมันใจมันเป็นกุศลมันชวนให้เราทำดีเราควรจะขอบใจถึงเราไม่ทําเรายกมืออนุโมทนาแต่ของอย่างนี้มันก็เป็นบุญเลปัตตานุโมทนาไหมบุญสมเด็จ ด, ด้วยการให้ส่วนบุญกันอนุโมทนาบุญกันมันก็เป็นประโยชน์ฉะนั้นอันนี้เราควรจะกลับจิตกลับใจมาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่งามเราจะทําหรือไม่ทำก็ไม่มีใครว่าจะทําน้อยทำมากก็ไม่มีใครว่า มันอยู่ที่ที่ตัวเราอยู่ที่เจตนาของเราฉะนั้นอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดว่าเราเป็นชาวพุทธนั้นควรจะทําบุญในพระพุทธศาสน า, าแค่นี้ก็เป็นประโยชน์แล้วเมื่อเรานักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของอุบาสกหประการเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกที่ถูกต้องก็<ร>จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฉะนั้นในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้ได้พูดในหมวดของที่ปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับเครือหัดขึ้นหมวดที่หกเกี่ยวกับหัวข้อว่าทิศหกเกี่ยวกับเรื่องทิศหกก็มีหนึ่งทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาสองทิศเบื้องขวาได้แก่อาจารย์สามทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรยาสี่ ทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรห้าทิศเบื้องต่ำได้แก่บ่าวไพร่หกทิศเบื้องบนได้แก่สมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่าทิศหกฉะนั้นพูดถึงทิศหกนี้ก็พระพุทธองค์ได้เคยตัดไว้กับสิงคาลมานพซึ่งสิงคารมานพนี้ได้เข้าใจคำที่บิดามารดาได้ บอกไว้ให้นั้นเข้าใจผิดว่าให้เป็นไหวทิศก็กลายเป็นบ้าไปไหวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแต่ว่าเมื่อมาพบพระพุทเจ้าเข้าพระองค์ก็ได้ชี้แจงให้ว่าในการไหว้ทิศที่ถูกนั้นก็ต้องเป็นทิศอย่างนี้คือหมายถึงว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบนอ่าก็ปรากฏว่าสิงค์คารมานพเข้าใจฉะนั้น ในวันนี้ก็จะได้พูดให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุตล ท, ทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องทิศตามที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้นะทิศเบื้องหน้าที่เราเรียกเป็นภาษาพระว่าปุรัตถิมาทิศนะปุรัตถิมาทิศเรียกว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าได้แก่มาร ด, ด, ดาบิดาบุทมารดาบิดาบุทพึงบำรุงด้วยสถานห้าอย่าง ก็คือหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยทากิจของท่านสามดำรงวงศ์สกุลสี่ประพฤตินตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศใหนะ้อันนี้หมายความว่าเราทุกคนเกิดมานั้นมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่นะมพ่อมแม่ในถือว่าเป็นบุพการีของเรา เป็นผู้ทำอุปการะมาก่อนเป็นผู้ป้อนน้ำป้อนข้าวแก่เรามาก่อนเป็นผู้สอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่ามารดาบิดานี่แหละเป็นบุรพาจารย์คือเป็นครูคนแรกของลูกนะที่สอนให้ลูกรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคำว่าแม่รู้จักคำว่าพ่อฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัดว่ามารดาบิดาเป็นเทพปรดาของลูก ก็หมายถึงว่าเป็นผู้คอยปกป้องคุ้มครองลูกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเหินแม้ว่าลูกนั้นจะแยกเย่าแยกเรือนไปแล้วมารดาบิดาก็ยังเฝ้าติดตามคอยไต่ถามคอยสอดจองดูแลพุกศกอยู่ตลอดเวลาในการที่สามพระพุทธองค์ได้ตัดว่ามารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูก หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อลูกรักใคร่ต่อลูกเป็นผู้มีการุณาสงสารเมื่อยามที่ลูกตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้มีความยินดีในเมื่อลูกนั้นได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้าวางเฉยในเมื่อลูกนั้นถึงสุขอันไพ่บูรณ์หรือว่าถึงทุกถึงที่สุดแล้วช่วยเหลือไม่ได้ก็วางเฉยฉะนั้น เมื่ อ, อามารดาบิดาเป็นพระพรหมอย่างนี้แน่นอนที่สุดอใครในโลกนี้จะมารักเราเท่ากับพ่อแม่เป็นอันไม่มีอีกแล้วคนอื่นรักเรานั้นเขารักเพื่อหวังการตอบแทนแต่พ่อแม่รักลูกนั้นรักด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังการตอบแทนใดๆทั้งสิน้นปรารถนาให้ลูกมีความเจริญก้าวหน้าเลี้ยงตัวเองได้แค่นั้นพ่อแม่ก็ดีใจแล้ว ประการสุดท้ายมารดาบิดาพระพุทธองค์ท่านเปรียบว่าเป็นอาโห n e บุคคลของโลกที่ลูกควรจะนําข้าวน้ําหรือปัจจัยสี่เสื้อผ้าอภรรตท่อนสบายมาบำบงบําเรอมาเลี้ยงท่านอมาเลี้ยงท่านเมื่อเราทราบว่ามารดาบิดามีพระคุณแก่เราอย่างนี้สุดที่จะพรรณนาได้แน่นอนที่สุดเราก็ต้องแต่ตอบตอบแทนท่านด้วยหลักห้าประการดังที่ อ่าได้ว่ามาว่าเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบเราทุกคนเป็นลูกจะต้องคำนึงอย่างนั้นลูกคนไหนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันยูลูกคนไหนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนนั้นจะได้รับการติฉินเนนทาลูกคนไหนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนนั้นก็ไม่ได้บุญลูกคนไหนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนนั้นก็เท่ากับว่ามีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะนั้น ลูกทุกคนจะต้องเลี้ยงพ่อแม่จะต้องตอบแทนพ่อแม่นะตอบแทนจะมากน้อยนั้นก็ข <guessing>? ึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับฐานะแต่ว่าลูกทุกคนนั้นจะต้องหาโอกาสตอบแทนพ่อแม่แล้วก็ช่วยทํากิจของท่านท่านมีกิจอันใดก็ต้องช่วยไปทําแม้ว่ากิจของท่านนั้นจะพร้อมกับกิจของเราะท่านบอกว่าให้ละวางกิจของเราก่อนแล้วก็ไปช่วยทํากิจของพ่อแม่นะไปช่วยทํากิจของพ่อแม่แล้วก็ให้เราทุกคนนั้น ต้องเป็นลูกที่ประพฤติดีประพฤติชอบก็หมายความว่าดํารงวงส ก, กุลไว้อย่าให้วงส ก, กุลต้องขาดศูญไปอย่าให้วงตระกูลของเราต้องเป็นที่ติชินเนนทาของคนอื่นก็หมายความว่าลูกทุกคนจะต้องมีความสมัครสมานสามคัคคีลูกทุกคนจะต้องมีความรักอาภักดีต่อกันและลูกทุกคนนั้นจะต้องขยัน ประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคนกระตันอยู่ลูกอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลประการที่สีต้องประพฤติตนให้คูให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกก็หมายความว่าประพฤติดีนั่นเองลูกคนไหนที่มันเ ก, กะเมเรเกเรกินเหล้าเมายาครบเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายหรือว่าคบคนชั่วเป็นมิดลูกอย่างนี้ไม่สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกพ่อแม่ก็มาอยากมอบทรัพย์มรดกให้ เรมอบให้ไปแล้วเดี๋ยวก็เอาไปล้างไปผลันหมดฉะนั้นพ่อแม่จะมอบทรัพย์มรดกให้ก็เป็นผู้ที่พ่อแม่เห็นดีแล้วไว้วางใจว่าเป็นลูกที่ประพฤติชอบอด้วยกายวาจาใจประการที่ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้อันนี้เป็นเครื่องหมายว่าลูกนั้นเป็นลูกที่ดีเมื่อเมื่อตอนพ่อแม่อยู่ก็ตั้งใจทํากุศงามความดีตอบแทนท่านเมื่อท่านตายไปแล้วก็ยังทําบุญอุทิศให้ นะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนั้นไปให้ท่านจะได้มีความสุขมีความสบายามานดาบิดาเมื่อได้รับการบำรุงชนี้แล้วก็ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหลักหาสถานนะด้วยหลักหาสถานก็คือหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาภรรยาที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยหมายความว่า ขึ้นชื่อว่าพ่อแมอ่เป็นพ่อเป็นแม่คนนั้นแน่นอนที่สุดทุกคนจะต้องห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วเพราะถือว่าลูกทำความชั่วนั้นก็จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่แก่ลูกและก็สู่แก่พ่อแม่อีกด้วยก็จะสั่งสอนให้ลูกทุกคนนั้นตั้งอยู่แต่ในทางความดีให้ทำแต่ความดีให้ทำดีให้พูดดีให้คิดดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกและเป็นป เป็นสิ่งที่จเจริญตาจเจริญใจเป็นความสุขใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของครูบาอาจารยนะ์แล้วก็จะให้ส่งเสียให้ลูกนั้นศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆตามฐานะของตนแม้ว่าพ่อแม่บางคนบางครั้งต้องกู้หนี้ยืมสินเขาเพื่อส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียนได้สูงๆบางคนก็ต้องขายนาขายไร่ขายวัวขายควายขายบ้านขายช่องส่งลูกให้เรียนถึงที่สุด บางคนส่งกระทั่งจนยากจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าต้องการให้ลูกนั้นมีความเจริญก้าวหน้าให้มีอนาคตไม่ต้องการให้ลูกนั้นมีฐานะต่ําต้อยไม่ต้องการให้ลูกนั้นมีความยากลําบากฉะนั้นลูกก็ควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะถ้าลูกไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในในวัยต้นโอกาสที่จะเรียนข้างหน้ามันก็เลือนรางเต็มทีฉะนั้น ลูกทุกคนในข้อนี้ควรจะตั้งใจเรียนศึกษาในเมื่อยังเด็กยังหนุ่มยังสาวรายการที่สี่พ่อแม่ก็จะหาภรรยาสามีที่สมควรให้คือสมัยก่อนนั้นคนจะมีคู่นั้นจะต้องให้พ่อแม่เป็นใหญ่เป็นผู้เลือกดูเองว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้ อันนี้สายดีไหมตอพฤติดีไหมเป็นลูกของใครเผาพงวงวานเป็นยังไงนี่เขาสืบกระทั่งถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ถึงย่าถึงยายฉะนั้นจึงมีคําฟังเผยที่บอกไว้ว่าเขาบอกว่าจะดูวัวให้ดูที่หางจะดูนางให้ดูที่แม่ถ้าจะดูให้แน่ต้องดูถึงยายนี่เรียกว่าจะซื้อวัวซื้อควายนี่ต้องดูหางนะถ้าหางเรียวหางยาวแล้วก็ ใช้ได้ทหารมันคดมันคอดมันงอหางมันสั้นแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้ไม่สวยจะดูนางต้องดูถึงแม่ลูกม้าย่ําหล่นไม่คลต้นฉะนั้นเราจะต้องดูแม่ดูพ่อถ้าจะดูแน่ต้องดูสาวลงไปถึงยายว่าแต่กูลนี้เป็นอย่างไรนี่จึงจะแต่งงานกันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอาผู้ใหญ่มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เรารักกันเองเราชอบกันบางครั้งก็เจอกันชั่วโมงเดียวก็ได้กันแล้วสามชั่วโมงก็ได้กันแล้ว สองวันสามวันสองเดือนสามเดือนหนึ่งปีอันนี้ก็จึงอยู่กันไม่ยืนยาวเหมือนกับสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราขอให้เราลองพิจารณาดูทุกวันนี้แต่งงานกันแล้วก็มีการหย่าร้างกันมากสติหย่าร้างกันมากและที่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนที่หย่าร้างกันโดยไม่รู้อีกเท่าไหร่ขอให้เราลองมาพินิจพิจารณานี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาน้ําใจของกันและกันให้ท่องแท้เสร็จก่อนตัดสินใจกัน ตามอำเภอใจจึงผิดพลาดแต่การสุดท้ายมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันสมควรอันนี้ก็หมายความว่าให้อพ่อแม่นั้น่ะจะมอบทรัพย์สมบัติให้ก็ดูว่าในคราวที่อลูกนั้นอยู่ในไวัยไหนาบางครั้งวันเกิดพ่อแม่ก็อาจจะซื้อของขวัญให้อแต่งงานก็ซื้อของขวัญให้อ่าหรือว่าลูกจะแยก เย่าแยกเกลือนไปก็มอบอมรดกให้นะหมอบทรัพย์สมบัติให้ที่นาที่ไร่ที่สวนงูควายไร่นาะซาโทบ้านช่องห้องหอง อ, งอะไรก็แล้วแต่ก็ดูให้ตามโอกาสตามโอกาสอันสมควรนะบางครั้งลูกผู้หญิงก็อาจจะซื้อเครื่องประดับให้ลูกผู้ชายก็ซื้อนาะฬิกาหรือซื้ออะไรที่มันเหมาะมันควรให้อันนี้พ่อแม่จะเป็นคนเรียกว่าจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสมและก็ตามฐานะอีกด้วย การกระทำเช่นนี้ให้เห็นถึงมารดาบิดานั้นเป็นผู้อนุเคราะห์บุกด้วยหลักห้าประการดังที่ว่ามาทีนี้ก็มาประการที่สองในวัตถิสเบื้องขวาก็ได้แก่อาจารย์เพราะว่าธําว่าอาจารย์นี้ก็เป็นผู้ที่ได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์รองจากคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ถือว่าเป็นครูคนแรกของลกูกอาจารย์ ที่สอนเราตามโรงริ่มโรงเรียนถือว่าเป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่นะรองจากพ่อแม่นะคนเราทุกคนนั้นจะต้องมีครูมีอาจารย์สิทธิ์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์นั้นถือว่าเป็นสิทธิ์นอกตําราสิทธิ์นอกตํารานี้บางทีก็คบไม่ได้นะคบไม่ได้แมนะ้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ไปเล่าเรียนศึกษาตามสํานักอาจารย์ต่างๆนะฉะนั้นการที่เรา มีศิษย์มีอาจารย์นี่แหละแสดงถึงว่าเรานั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่หลักลอยหรือเป็นคนทำอะไรโดยที่ว่าไม่มีเหตุมีผลเป็นประกาศสนิยบัรอย่างดีว่าเราก็มีอาจารย์ดีเหมือนกันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ตัวเราฉะนั้นาการที่เรามีอาจารย์อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราทุกคนก็จะต้อง คิดบำรงนะคิดบำรงครูอาจารย์ด้วยหลักห้าสถานคือหนึ่งด้วยการลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังห้าด้วยเข้าไปอุปถากษาสี่ด้วยเข้าไปอุปถาก 5. ห้าด้วยตั้งใจเรียนศินละปะวิทยาโดยความเคารพอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเห็นอาจารย์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้อง ถ้าท่านเดินมาเราก็ต้องยืนต้อนรับท่านเราจะไปอยู่ที่ไหนก่อนเมื่อเห็นท่านเข้ามาเราจะต้องลุกเปิดโอกาสให้ท่านแสดงเจ้าต้วยการาโค้งคำนับหรือยกมือไหว้ตามฐานะของเราแล้วก็ลุกเก้าอี้หรือที่นั่งนั้นให้ท่านนั่งนี่อย่างนี้ถือว่าเรานั้นเป็นสิทธิ์ที่ดีถ้าหากว่าเราเห็นอาจารย์ทัตธมบัญเชยไม่ทักทายไม่ยกมือไหว้ไม่ลุกที่ไม่นั่งให้ท่านนั่ง อันนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่ดีนะสิทธิ์อย่างนี้ไม่มีใครยกย่องสิทธอย่างนี้ไม่เจริญนะถือว่ามีทิฏฐิมานะสําคัญตัวเองว่าเลอเลอะนะไม่ได้เราเป็นสิทธ์จะต้องลุกขึ้นยืนรับนะยืนรับก็คือต้อนรับครูอาจารย์ของตัวเองนะลืมไม่ได้คนไหนลืมครูลืมอาจารย์คนนั้นก็เหมือนกับว่าลืมตัวเองนะลืมตัวเองคนที่ลืมตัวเองก็คือคนที่ตายจากคุณงามความดี คนที่ตายจากคุณงามความดีก็ถือว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือขอประธานโทษเป็นเศษคนเศษมนุษย์นะใช้ไม่ได้คนทุกคนจะต้องมีครูมีอาจารย์แวร์การที่สองด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้หมายความว่าเราพบอาจารย์ที่ไหนเราก็อาจจะปรนนาร์ตัวว่ามีอะไรที่ผมคอยรับใช้หรือว่าในสถานที่นั้นโอกาสนั้นเมื่อพบท่านเน้นท่าน ควที่จะตักน้ํามาหรือมีอะไรที่จะบริการท่านก็รีบคอยรับใช้ท่านเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้ก็ใช้ได้หรือถึงเวลาท่านมีกิจจำเป็นอะไรเราก็ควรไปช่วยท่านทํากิจการงานบ้างนะกิจการงานบ้างคอยรับใช้ท่านตามโอกาสตามฐาน ะ, ะเมื่อท่านเป็นครูเราก็คอยรับใช้เมื่อท่าน อ, ออกไปแล้วมีโอกาสถึงวันเกิดอะไรก็อาจจะมี อดอกไม้ถูกเทียนหรืออะไรไปสักการะท่านนะไปสักการะท่านไปช่วยเหลือกิจการงานของท่านอย่างนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้แระการที่สามด้วยเชื่อฟังการเป็นศิษย์นั้นจะต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ศิษย์ที่ไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ก็ให้สังเกตดูมักจะมีอันตรายอย่างเช่นพระเทวทัตก็ดีเพราะไม่เชื่อฟังครูอาจารย์เป็นคนดื้อด้านอาศิษย์อย่างนี้ก็มีแต่ความหายนะ จันตโครบนะเรื่องจันตโครบไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ก็ถึงแก่ความตายและยังมีอีกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ศีลบางคนคิดล้างครูอาจารย์คิดวัดรอยเท้าครูอาจารย์ศี์อย่างนี้เป็นศี์ที่ขุดหลงฝังตัวเองมีแต่คนสาบแข <m> ้ง<ๆ>มีแต่คนติชินนินทาเท่ากับว่ามีหอกปักอยู่ our, รอบตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิษเป็นไทย แล้วคนที่คิดลบลูครูอาจารย์ไม่เจริญสักคนขอให้ผู้ฟังทั้งหลายสังเกตดูนะสังเกตดูประการที่สี่ต้องเข้าไปอุปถากก็หมายถึงว่าต้องช่วยบำรุงบำเรเครูบาอาจารย์ตามฐานะตามโอกาสเราต้องคิดว่าที่เรามีสติปัญญามีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมานี้ก็เพราะอาศัยวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ได้สอน นะถ้าหากว่า esa, ครูบาอาจารย์ไม่สอนเราจะรู้มาไม่ได้นะเราจะรู้ไม่ได้ที่เรารู้นี่รู้เพราะครูบาอาจารย์นะเป็นผู้บอกทางดีชี้ทางชั่วให้กับเรานะบอกทางดีชี้ทางชั่วให้กับเราฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ครูบาอาจารย์เราก็กลายเป็นคนง่อนะเราก็กลายเป็นคนง่อเหมือนกับคนตาบอดนะเหมือนกับคนตาบอดฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงอย่างนี้ก็คอยเข้าไปบำรุงบำเลอท่านยามท่านเจ็บปวดป่วยไข้ก็คอยไปปนในบัตดดูแลท่านบ้างนะ พยายามท่านแก่เท่าโอกาสที่จะไปปนิบัติท่านก็ควรจะไปบ้างนะเยี่ยมเยือนท่านบ้างมีกิจการงานอะไรก็ไปคอยรับใช้ท่านอย่างนี้จะได้ชี้ว่าเป็นสิทธิทคอยอุปถัมภ์เป็นสิทธิที่ดีมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์แปลการที่ห้าด้วยเรียนศึกษาศิลปะวิทยาโดยความเคารพเป็นสิทธิที่ดีนั้นจะต้องเคารพครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์จะเรียนอะไรไม่ได้ความรู้นะไม่ได้ความรู้ เพราะศิษคนไหนที่ไม่เคารพครูอาจารย์ครูมาอาจารย์ก็ไม่มีกําลังใจจะสอนแล้วก็อาจจะบอกอศึกษาอาจจะบอกวิชาความรู้นั้นไม่เต็มที่นะเพราะศิษย์นั้นไม่เคารพไม่ตั้งใจอันนี้อาจามาได้เคยสอนนักเรียนทั้งพระสงฆ์องค์เลนแล้วก็ทั้งเด็กนักเรียนทั่วทวไปว่าการเรียนเพื่อรู้ดีและสอบได้นั้นหนึ่งจำสองจดสามเข้าใจสี่ให้ความเคารพนี่ วราข้อให้ความเคารพนี่สําคัญถ้าหากว่าไม่มีความเคารพกูบาอาจารย์เราก็ไม่อยากจําเราก็ไม่อยากจดเราก็ไม่อยากทําความเข้าใจเพราะเราไม่เคารพแต่ว่าถ้าเราเคารพแล้วทําให้เราอยากจำอยากจดแล้วก็อยากทําความเข้าใจฉะนั้นจึงบอกว่าการเรียนเพื่อให้รู้ดีและสอบได้1นึจำสอจดสเข้าใจ4ให้ความเคารพและควรท่องว่าจําไว้ดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดไว้ดีกว่าจํา แต่นักเรียนโดยมากทั้งจําทั้งจดไม่เอาทั้งหมดจึงไม่จดไม่จําอันนี้มันก็หมดท่านะหมดท่าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเรียกว่าเรียนก็ตกต ก, ตกลนนนะสอบแล้วสอบอีกนะเรียกว่าดูกันแล้วก็เบื่อหน้ากันเหลือเกินนะฉะนั้นเราจะต้องเรียนศินละปะวิทยาการต่างๆด้วยความเคารพประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่ออาจารย์ได้ เมื่ออาจารย์ได้รับการบำรุงจากศิษย์อย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหลักห้าสถานก็คือแนะนำในทางที่ดีสองให้เรียนดีสามบอกศิละปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปิดบงังอําพรสี่ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าย่อมป้องกันในทิศทั้งหลายหมายความว่าศิษย์จะไปทางไหนก็ค อ, อยติดตามนะคอยติดตามป้องกัน ไม่สิทิ น, นั้นได้รับความลำบากหรือว่าถึงข่าวลำบากอาจารย์ก็มักจะหาทางช่วยเหลื อ, อทุกสิ่งทุกอย่างจะนั่นขึ้นชื่ออาจารย์แล้วก็จะต้องแนะนำในทางที่ดีอาจารย์ที่ไหนแนะนำไม่ดีนั่นไม่ใช่ครูอาจารย์นะเป็นแต่เพียงคนธรรมดาเพื่อนธรรมดาจะนั่นคนเราจะเป็นครูอาจารย์นั้นจะต้องแนะนำในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชนะ์เราขึ้นชื่อว่าครูบาอาจารย์แล้ว มีคํากรอนบทหนึ่งบอกไว้ว่าเปรียบประทีปโคมทองสาตว์ส่องฟ้าเปรียบจันทราสุรีมณนแสงเปรียบเข็มทิศ ช, ชี้ทางอ้างแสดงเปรียบร่มแห่งพึกษาคําว่าครูนี่ว่าความเป็นครูนั้นก็เหมือนกับประทีปโคมทองที่ลอยส่องแสงสว่างชดช่วงชัชววนก็คือความรู้คือประทีปนั่นเอง ที่สอดส่องให้กับบรรดาสิทธ์ต่างๆได้มองเห็นดีเห็นชั่วนะถ้าหากว่าไม่มีแสงสว่างเหมือนกับเราเดินไปในที่มืดไม่มีแสงสว่างเราก็อาจจะตกหลุมตกล่องหรืออาจจะถูกเสี่ยนน้ำอาตําเอาได้แต่เมื่อมีแสงสว่างก็ทําให้เราเห็นอุปสรรคเห็นอันตรายฉะนั้นอาจารย์จึงเปรียบเหมือนโคมทองแห่งชีวิตอ่าแล้วก็เปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์ที่ให้ ทุกสิ่งทุกอย่างาบนผืนผิวโลกนี้จเจริญงอกงามมีชีวิตชีวาก็เพราะอาศัยแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์นี่เองแล้วก็ทำให้แสงสว่างอันนี้ทำให้เราประกอบกิจาการงานน้อยใหญ่สำเร็จรุล่วงไปได้เสร็เหมือนกันเมื่อได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ย่อมจะมีแต่ความจเจริญ ม, มีแต่ความก้าวหน้าฉะนั้นอาจารย์นอกจากจะแนะนาในทางที่ดีแล้วก็ ให้เรียนดีอีกด้วยก็หมายถึงว่าพยายามให้ศิษย์ทุกคนนี้ได้ร่ำเวียนศึกษาได้อย่างเต็มที่ให้อย่างเต็มที่ไม่มีการกีดกันทุกสิ่งทุกอย่างประการที่สามก็บอกศิลปะวิทยาให้อย่างสิ้นเชิงไม่ปิดบังอําพางวิชาใดที่ครูบาอาจารย์สอนก็จะสอนกันอย่างจริงๆจังๆไม่มีการขยักขย้อนหรือปิดบังอําพางเลยว่ามาจะไม่สอนให้หมดสอนหมดไปแล้วเดี๋ยวศิษย์จะกลับมาคิดล้างครู ไม่คิดอย่างนั้ น, นะมุ่งหน้าแต่ว่าอะไรที่มันเป็นวิชาความรู้ที่ศิษย์จะรับรู้ได้ครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้หมดนะก็จะสอนให้หมดว่าการที่สี่ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงเป็นครูบาอาจารย์แน่นอนที่สุดศิษย์ได้ดีก็ยกย่องว่าศิษย์คนนี้ได้ดีนะลูกคนนี้เป็นลูกศิษย์อให้ปรากฏไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายหรือยามที่ศิษย์ตกสามอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้เป็นศิษย์นะบางทีก็ อาจจะไปฝากให้อยู่เข้างานโน้นงานนี้ช่วยเหลือ ก, กันหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าอาจารย์นั้นจะยกย่องอยู่ตลอดเวลานะไม่พูดทับถมสิทธนะ์ไม่พูดทําสมสิทธ์ไม่พูดว่าไายสิทธนะ์มีแต่พูดให้สิทธ์นั้นเกิดกําลังใจเกิดความมานะเกิดความบากบันเกิดความอดทนในการเรียนการศึกษาและการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างประการสุดท้ายก็คือว่าทําความป้องกันในทิศทั้งหลาย อันนี้หมายความว่าศิษฐ์จะไปอยู่แห่งขนตำบลใดอ่าความเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นเมื่อรู้เมื่อทราบแน่นอนที่สุดย่อมให้ความปกป้องคุ้มครองเมื่อแม้ตัวเองจะอยู่ห่างไกลมีเพื่อนมีผู้ก็มักจะบอกฝากไว้ว่าฝากลูกศิษย์ไว้ด้วยนะอจะบอกฝากเอาไว้คนนั้นคนนี้ช่วยด้วยเขาเป็นลูกศิษย์ผมเองออย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรช่วยเหลือได้ก็บอกอหรือจะให้ศิษย์ช่วยเหลือก็เรียกขานวานชัยได้นี่ อาจารย์ก็มักจะต้องแนะนํากับเพื่อนฝูงต่อๆไปอย่างนี้แหละก็คือเป็นหน้าที่ของอาจารย์นะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์จะต้องยกย่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในทิศเบื้องขวานั่นะนะคืออาจารย์แน่นอนที่สุดจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิทธิ์ฉะนั้นสิทธิ์จึงจะต้องกระตันอยู่ต่อครูอาจารย์นะคนเราทุกคนเกิดมานั้นจะต้องมีครูมีอาจารย์ จะทำอะไรก็มีครูจังนั้นจะเป็นงานถักงานทองานจักสารหรือว่ า, าการใช้ความรู้วิทยาการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีครูทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่มีครูเป็นนักมวยนักกีฬาก็ต้องมีครูนะต้องมีครูเป็นนักสแสดงก็ต้องมีครูฉะนั้นบางครั้งเราจึงเรียกว่าเป็นบรมครูนะเป็นบรมครูถือว่าเป็นครูอย่างยอดเยี่ยมหรือเป็นครูที่เก่าแก่อย่างเก่งกาจสามารถมากอื ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงเป็นคนเชื่อครูนะแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูการที่เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูนั่นแหละเป็นเกียรติเป็นศรีรษะแก่เราฉะนั้นขึ้นชื่อว่าครูแล้วแน่นอนที่สุดเป็นคําที่มีความหนักแน่นมากคําว่าครูนี่แปลว่าเป็นผู้ผู้หนักนะเป็นผู้หนักนะนักอะไรคือ เรียกว่าหนักในศิลปะวิทยาการต่างๆนะแล้วก็ทําจิตใจให้หนักแน่นเป็นแบบอย่างกับสิทธิ์ที่ดีอีกด้วยทําจิตใจหนักแน่นในเมื่อสิทธินั้นอาจจะต้องก้าวร้าวครูบาอาจารย์ก็อดทนได้อย่างนี้แหละคือว่าเป็นผู้หนักนะหนักในความรู้ต้องมีความรู้ดีรู้ดีรู้รอบครอบอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่า ครูไม่รู้ดีแน่นอนที่สุดก็จะทําให้สิทธนั้นขาดความเชื่อถือได้ขาดความเชื่อมั่นได้ฉะนั้นในโลกนี้จึงขาดครูไม่ได้นะขาดครูไม่ได้มีคํากลอนบทหนึ่งไว้ว่ามีคํากลอนบทหนึ่งอาไ ว, วาาาาานะ้ว่าหากขาดครูโลกและชาติเหมือนขาดใจนะว่าหากขาดครูโลกและชาติเหมือนขาดใจ ครูเป็นเช่นสายธานอันชื่นฉ่ำสิ์ดื่มดำน้ําใจได้ความรู้อนาคตสดใสในวิญญูหากขาดครูโลกและชาติเหมือนขาดใจว่าโลกนี้ถ้าไม่มีครูก็เหมือนกับเป็นโลกมืดนะเป็นโลกมืดนะไอ้โลกมืดนะ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีตาดีมันก็ไม่สะดวกนะไปไม่สะดวกอ่านะแต่ว่าถ้าโลกนี้มีครูถึงแม้ว่ามันจะมืดนะเราก็ไปได้ ไปด้วยความรู้ไปด้วยสติปัญญาฉะนั้นปัญญานี่แหละเป็นแสงสว่างพระพุทธองค์จึงได้ตัดว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกฉะนั้นคนมีปัญญาก็เพราะอาศัยครูฉะนั้นระหว่างครูกับศิษย์นี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันขอให้เราทุกคนจงเคารพครู ดนั้นเขาจึงจัดครูนี้ไว้ในทิศเบื้องขวาถือว่ามือขวาหรือว่าทิศขวานี่มือขวาหรือว่าทิศเบื้องขวาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญรองมาจากพ่อแม่รองมาจากมารดาบิดาเอาล ะ, อะการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทิศหกมาก็ได้เพียงแค่สองข้อก็คือในข้อแรกก็คือหมายถึงทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาแล้วก็ทิศเบื้องขวาได้แก่ครูอาจารย์ก็พอสมควรกับเวลา ฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่มีครูอาจารย์ก็จงหาโอกาสตอบแทนท่านตามโอกาสตามฐานะก็จะมีแต่ความสุขก็จะมีแต่ความเจริญในที่สุดแห่งการบรรยายเรื่องทิศถกมาได้เพียงสองข้อก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร